ปัญหาข้อที่6อธิบายและตอบปัญหาเรื่องรูปติดวิญญาณมีจริงได้อย่างไรการปรากฏตัวให้เห็นของโอปปปาติกะที่มองเห็นด้วยตาเปล่าและพูดคุยกันได้ทำไมถ่ายติดได้บ้างไม่ได้บ้างปรากฏได้บ้างไม่ได้บ้างตัวอย่างที่ชัดเจนเรื่องของไทยคือเรื่องของดรคลุ้มวัชโรบลถ่ายติดรูปน้องชายที่ตายไปแล้วและมีภาพร่างกายตรงกับลักษณะก่อนตาย สำหรับเรื่องการถ่ายรูปติดวิญญาณนั้นถ้านักวิทยาศาสตร์เข้าใจหลักสําคัญก็อาจผลิตกล้องที่ถ่ายภาพพวกนี้ได้ในอนาคตและจะทําให้โลกวิญญาณไม่ถูกปกปิดอีกต่อไปจะมีผลให้คนเกรงกลัวบาปมากขึ้นและพลิกความรู้ที่แต่เดิมมีแค่ผู้ได้ฌานอภิญญาเท่านั้นจะได้เห็นให้คนทั่วไปได้เข้าใจได้เห็นได้ด้วยตนเองเป็นการปฏิวัติความรู้ทางโลกเหมือนที่สมัยโบราณต่างเชื่อกันว่าโลกแบนนั้น เมื่อออกไปนอกอวกาศถ่ายภาพโลกมาได้จริงก็ทำให้คนทั้งปวงสิ้นสงสัยและเห็นตามจริงได้ว่าโลกลมโดยไม่ต้องเดินทางออกไปด้วยตนเองปัญหาข้อที่6รูปท่านเมฆแดงมีผู้สงสัยกันมากว่ารูปท่านเมฆแดงได้มาโดยวิธีไหน เพราะโดยปกติการที่จะเห็นโอปปาติกะได้นั้นมีทางที่จะเห็นได้อยู่สมอย่างคือ 1. นอนหลับแล้วฝันเห็น 2. เข้าสมาธิไปเห็น 3. โอปปาติกะมาปรากฏให้เห็นเองแต่สำหรับรูปท่านเมกแดงนี้เอสเทลโลเบิร์ได้บอกแล้วว่าท่านมาปรากฏให้เห็นซึ่งในหนังสือเล่มนี้ได้กล่าวไว้ว่า หลังจากหายจากการช็อกแล้วดิฉันก็รู้ได้ทันทีว่าเหตุการณ์นี้ได้พิสูจน์กันอย่างแน่ชัดเหลือเกินอดิชันเห็นความจริงที่ปรารถนาจะเห็นและพร้อมกันนั้นก็รู้สึกมีความขอบคุณอย่างลึกซึ้งดิฉันหันกลับไปเอามือข้างหนึ่งวางลงบนโต๊ะตัวนั้นแล้วกล่าวว่าขอบคุณค่ะไม่ว่าท่านจะเป็นใครก็ตามเป็นการยาก ที่ดิฉันจะบรรยายให้ท่านผู้ฟังทราบความรู้สึกในครั้งนี้ได้อย่างไรมันเป็นความรู้สึกที่เอิบอาบและเต็มไปด้วยความปีติทำให้ดิฉันรู้สึกคล้ายๆกับว่าตนเองไปเกิดอยู่ในระดับหรือในภูมิของวิญญาณอย่างใหม่ดิฉันพยายามควบคุมสติไว้ไม่ให้ตื่นเต้นจนเกินไปในตอนนั้นซึ่งได้มีโอกาสเห็นคือเห็นปฏิหารโตะลอยและในตอนนี้ยังไม่เห็นท่านเมฆแดง ในตอนนั้นซึ่งได้มีโอกาสเห็นและได้ยินเสียงของโอปปาติกะซึ่งเป็นผู้พิทักษ์ชีวิตของดิฉันเป็นครั้งแรกเสียงนั้นกล่าวเป็นภาษาอังกฤษอย่างชัดเจนซึ่งไม่ใช่ลักษณะของชาวอังกฤษตามปกตินักท่านกล่าวว่าเรามาเพื่อช่วยชาวโลกเจ้าจะช่วยกันกับเราแล้วเราก็จะช่วยกันกับเจ้าดิฉันถามเสียงนั้นออกไปว่าท่านเป็นใครมีเสียงตอบออกมาว่า เราคือเมฆแดงในทันใดนั้นเองก็เห็นส่วนศรีรษะของชายผู้หนึ่งปรากฏออกมาท่ามกลางรัศมีสีขาวที่ล้อมอยู่โดยรอบโอปปาติกะผู้นี้มีผิวสีแดงในตาดำและมีคราวดำข้อความที่กล่าวมานี้เอสเทลโลเบิร์สได้กล่าวภายหลังจากที่ได้เห็นโตลอยขึ้นจากพื้นได้เองและไล่ติดตาม ซึ่งในที่สุดโต้โตวนั้นก็ตกลงกับพื้นแต่เอสเทลโลเบิร์สก็ไม่ได้บอกไว้เลยว่ารูปของท่านเมคแดงที่เห็นคราวนั้นต่อมาได้ให้ช่างเขียนเขียนเอาไว้จากความทรงจำของตัวหรือว่าต่อมาได้มีการถ่ายภาพเอาไว้เพราะหลังจากนั้นแล้วท่านเมคแดงก็ได้มาเกี่ยวข้องกับเอสเทลโลเบิร์สเกือบตลอดเวลาแต่อย่างไรก็ดีแม้ในหนังสือเล่มนี้จะไม่ได้บอกเอาไว้ว่า รูปของท่านที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มนี้ได้มาโดยวิธีไหนแต่ข้าพเจ้าก็ยังมีโชคดีที่ได้มีโอกาสถามท่านเมฆแดงเองเพราะว่าในขณะที่ข้าพเจ้าเริ่มจะเขียนหนังสือภาคผนวกเล่มนี้ท่านก็ได้มาปรากฏให้รู้ว่าตัวท่านมีอยู่จริงจซึ่งครั้งแรกท่านมาโดยที่ข้าพเจ้าไม่รู้ลวงหน้าข้าพเจ้าจําได้ว่าวันนั้นเป็นเวลาบ่ายของวันที่11มิถุ น, นายนพุทธศักราชสองพ ในตอนนั้นข้าพเจ้ากำลังอารมณ์ไม่ดีกำลังเกิดโมโหคนทำงานและท่านก็มาเข้าทรงคุณสีเพนเพื่อต้องการที่จะเตือนสติข้าพเจ้าในการเข้าทรงครั้งนี้ไม่มีการเตรียมตัวล่วงหน้าเพราะไม่รู้มาก่อนปุบปับท่านก็เข้าทรงคุณสีเพนและตลอดเวลาที่เข้าทรงนั้นท่านได้พูดเป็นภาษาอังกฤษออกมาตลอดซึ่งฟัง้าใจง่ายเพราะใช้สำนวนง่าย และพอดีในวันนั้นอาจารย์สิริพุทธสุขก็ได้มาที่บ้านของข้าพเจ้าแต่ว่าอยู่อีกหลังหนึ่งซึ่งก็ห่างไกลกันเพียงประมาณ20เมตรข้าพเจ้าจึงให้คนไปเรียกอาจารย์สิริให้มาดูด้วยอาจารย์สิริจึงมีโอกาสได้พบกับท่านเมฆแดงเป็นครั้งแรกเหตุการณ์อันนี้ทําให้ข้าพเจ้าหายอารมณ์ขุนมัวได้ในวันนั้นและทําให้รู้สึกดีใจมากที่ข้าพเจ้าได้หลักฐานที่จะยืนยันได้ว่า ท่านเมฆแดงมีตัวตนปรากฏอยู่จริงๆและก็รู้สึกอบอุ่นที่ข้าพเจ้าจะได้มีโอกาสซักถามปัญหาต่างๆที่ข้าพเจ้าสงสัยและสําหรับปัญหาที่ว่ารูปของท่านได้มาโดยวิธีไหนท่านก็ได้ตอบให้ข้าพเจ้าทราบว่าได้มาโดยวิธีถ่ายรูปแต่ท่านยังไม่ได้ให้รายละเอียดว่าได้ถ่ายเมื่อไร่ที่ไหนและทําอย่างไรจึงได้ถ่ายรูปของท่านออกมาได้ วันที่ท่านบอกข้าพเจ้าถึงเรื่องการถ่ายรูปนี้คือในคืนวันที่25กรกฎาคมพุทธศักราชสองันอันหนึง่งข้าพเจ้าขอชี้แจงให้ทราบไว้เสียก่อนว่ารูปของท่านเมฆแดงนั้นขณะนี้ทั้งฝ่ายข้าพเจ้ายังไม่มีโอกาสได้เห็นเลยเพราะท่านยังไม่ปรากฏร่างให้เห็นเวลาเข้าสมาธิไปถามปัญหาท่านนั้น ก็ได้ยินแต่เสียงและเห็นรัศมีเท่านั้นส่วนรูปร่างของท่านนั้นท่านยังไม่ปรากฏให้เห็นและอีกประการหนึ่งการติดต่อกับท่านเมฆแดงนี้ข้าพเจ้าก็ยังหวังไม่ได้ว่าเมื่อต้องจะติดต่อเมื่อไรเป็นต้องได้เสมอเพราะเท่าที่เป็นอยู่ในขณะ น, นี้ท่านจะมาก็เฉพาะในเวลาที่ข้าพเจ้าเขียนหนังสือเรื่องนี้เท่านั้นและก็ไม่ได้มาทุกครั้งด้วย ปัญหาบางข้อข้าพเจ้าได้เรียนถามโอปปาติกะองค์อื่นซึ่งก็มีอยู่หลายองค์ที่ช่วยตอบปัญหาต่างๆที่ข้าพเจ้าสงสัยแต่บางอย่างท่านก็ตอบไม่ได้ต้องรอให้ท่านเมฆแดงมาตอบเองเช่นในกรณีเรื่องรูปภาพของท่านเป็นต้นเรื่องรูปถ่ายของโอปปาติกะนี้รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่เชื่อถือได้เพราะมีพยานหลักฐานปรากฏอยู่หลายแห่งทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ แต่ทุกแห่งก็ปรากฏว่ารูปที่ได้มา น, นั้นได้มาโดยบังเอิญถ้าตั้งใจจะถ่ายกันจริงๆแล้วถ่ายไม่ได้เช่นดรคลุ้มวัชโรบลก็ได้เขียนถึงเรื่องนี้ไว้เหมือนกันคือท่านได้เขียนไว้ว่ารูปน้องชายของท่านชื่อคุณคลัมวัชโรบลซึ่งได้ตายไป น, นานแล้วมาปรากฏให้เห็นในฟิล์มถ่ายรูปเรื่องนี้ท่านได้เขียนลงในหนังสือเรื่องเกี่ยวกับวิญญาณ หนังสือนี้พิมพ์เป็นอนุสอนในงานชาปน ก, กิจศพคุณวัชรีวัชโรบลซึ่งเป็นภรรยาของท่านน้ำเมรวัชกวาดราชาวาดคือวัดสามปลื้มเมื่อวันอาทิตย์ที่20เมษายนพุทธศักราช2 5 1พข้าพรพเจ้าขอถ่ายทอดนำมาลงไว้ในที่นี้ดังต่อไปนี้เรื่องวิญญาณของคล้ำวัชโรบล อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับน้องชายของข้าพเจ้าคือเมื่อพุทธศักราช2504น้องชายของข้าพเจ้าชื่อคล้ำวัชโรบลเป็นพนักงานรักษารถไฟด่วนสายกรุงเทพเชียงใหม่รถไฟตกรางที่ลำปางถูกกำปั่นเหล็กเก็บเงินทับเอาหัวกะโหลกยุบลูกชายทราบข่าวว่าพ่อตายก็ยไปเยี่ยมศพที่ลำปางเห็นหนาผากยุบกรมรถไฟได้นามาบาเพ็ญกุศลที่วัดดวงแขหัวลาโพง รั้นถึงวันสงกรานต์ในปีเดียวกันนั้นข้าพเจ้าพร้อมทั้งพี่น้องและครอบครัวได้ไปทำบุญและรดน้ำกระดูบคุณพ่อที่บรรจุไว้ที่ระเบียงวัดมหาธาตุดังที่เคยปฏิบัติมาทุกปีตามปกติน้องชายคนนี้เขาเป็นคนใจอ่อนและเจ้าน้ำตามาทำบุญกระดูบพ่อที่ไรต้องร้องไห้ทุกทีทุกครั้งที่พวกเราไปทาบุญก็มีการถ่ายรูป ก, กันไว้เป็นที่ระลึก และในครั้งนั้นน้องชายอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นน้องชายของคลัาชื่อแคลงวัชโรบลซึ่งทำงานอยู่ที่สำนักงบประมาณแผ่นดินเดี๋ยวนี้ได้ถ่ายรูปพระพุทธรูปในโบสถ์ตอนที่ข้าพเจ้ากำลังนั่งคุยอยู่กับท่านเจ้าอาวาสเมื่อเอารูปไปล้างและอัดรูปมาดูในรูปนี้แลเห็นเป็นรูปของคลัาน้องชายนั่งอยู่ข้างล่างหน้าพระพุทธรูปใกล้เชิงเทียนที่นาผาตรงกลางมีรอยบุ๋มคล้ายกโหลกยุบ แสดงว่าวิญญาณคล้ำน้องชายก็มาร่วมกับพวกเราเพื่อไหว้กระดูกพ่อด้วยตอนถ่ายรูปนั้นแคลงบอกว่าไม่เห็นอะไรเลยนอกจากพระพุทธรูปเท่านั้นเรื่องที่ดรคลุมวัชโรบนเขียนไว้นั้นมีเพียงเท่านี้แต่ในหนังสือเกี่ยวกับเรื่องวิญญาณเล่มหนึ่งซึ่งในภาษาอังกฤษให้ชื่อว่า i s is s p i r i t u a l i s m เขียนโดยมิสเตอร์มอลิส บาปเนลในหนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้วรวบรวมภาพถ่ายวิญญาณมาลงไว้หลายภาพซึ่งข้าพเจ้าก็ได้นํามาพิมพ์ไว้ในที่นี้บ้างเพื่อเป็นหลักฐานที่ให้เห็นว่าการถ่ายภาพวิญญาณ น, นั้นเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะทำได้ตามความต้องการทุกครั้งทั้งนี้ก็เพราะยังไม่ทราบกฎเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพวิญญาณเพราะฉะนั้น ภาพที่ได้มาจึงได้มาโดยบังเอิญแต่อย่างไรก็ดีจากภาพที่ถ่ายได้มานี้คงจะทําให้นักวิทยาศาสตร์ผู้ที่สนใจในเรื่องนี้สามารถสร้างกล้องพิเศษซึ่งสามารถที่จะถ่ายภาพวิญญาณหรือภาพของพวกโอปปาติกะเป็นผลสำเร็จได้สักวันหนึ่งข้างหน้าเกี่ยวกับเรื่องการถ่ายภาพโอปปาติกานี้ ข้าพเจ้าได้เรียนถามโอปปปาติกาองค์หนึ่งว่าทำไมบางครั้งจึงถ่ายภาพออกมาได้มีเหตุผลและหลักเกณฑ์อะไรบ้างท่านได้กรุณาอธิบายให้ฟังดังต่อไปนี้โดยปกติร่างกายของพวกโอปปปาติกาต่างๆยอมเปลี่ยนแปลงไปตามจิตใจท่านแนะให้นึกถึงหลักปฏิจจสมุปบาทที่ว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดรูปซึ่งคาว่ารูปในที่นี้ หมายถึงแสงเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆด้วยแต่อย่างไรก็ดีหลักอันนี้ถ้าพิจารณาจากสภาพร่างกายของมนุษย์อาจจะเข้าใจยากว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดแสงเสียงเป็นต้นได้อย่างไรทั้งนี้ก็เพราะการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมนุษย์แม้จะเป็นไปตามจิตใจเหมือนกับพวกโอปปาติกาก็จริงแต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงดาเนินไปช้ามากไม่เป็นไปอย่างฉับพลัน หรือรวดเร็วเท่ากับร่างกายของพวกโอปปาติกะเพราะปรากฏการ์หรือความเปลี่ยนแปลงใดๆของร่างกายของมนุษย์ส่วนใหญ่จะเป็นไปตามกฎของวัตถุซึ่งต้องอธิบายไปตามหลักทางเคมีและฟิสิกส์ซึ่งโดยที่จริงถ้าเข้าใจเรื่องวิญญาณอย่างลึกซึ้งคือเข้าใจไปจนกระทั่งถึงว่าในวัตถุที่ร้ชีวิตทุกอย่างก็มีวิญญาณกฎเกณฑ์ในวัตถุก็คือกฎเกณฑ์ของวิญญาณนั่นเอง ถ้าหากเข้าใจเรื่องวิญญาณมาถึงขั้นนี้ก็จะทำให้เข้าใจได้โดยไม่ยากว่ารูปร่างของโอปปาติกะซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามจิตใจอย่างเห็นได้ชัดนั้นก็มีกฎอย่างเดียวกับร่างกายมนุษย์เหมือนกันคือทุกอย่างขึ้นอยู่กับวิญญาณทั้งสิน้นอย่าลืมว่าคาว่าวิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดรูปย่อมหมายถึงเป็นปัจจัยให้เกิดแสงเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆด้วย มเหตุผู้อ่านแนะนําให้ฟังจากเสียงอ่านเรื่องวิญญาณคืออะไรซึ่งชมรมผลดีจัดทาไว้แล้วนะครับจะทําให้ท่านเข้าใจในเรื่องของวิญญาณที่เป็นต้นกําเนิดของวัตถุทุกอย่างอย่างแท้จริงเรื่องการถ่ายรูปขอให้พิจารณาดูให้ดีว่าวัตถุที่เราต้องการจะถ่ายนั้นได้ส ะ, ะท้อนแสงเข้ามาสู่ฟิล์มและการที่เราเห็นวัตถุแตกต่างกันนั้น เป็นเพราะช่วงคลื่นไม่เหมือนกันวัตถุบางอย่างที่ตาเรามองไม่เห็นก็เพราะตาเราไม่สามารถจะรับคลื่นแสงชนิดนั้นได้ทั้งๆที่วัตถุทุกอย่างซึ่งจะมองเห็นได้หรือมองเห็นไม่ได้ก็ตามย่อมมีคลื่นแสงสะท้อนมาจากวัตถุนั้นๆทั้งสิน้นภาพถ่ายที่เราถ่ายกันได้ในโลกมนุษย์ก็คือภาพถ่ายที่เราสามารถเห็นได้ด้วยตาและคนที่สร้างกล้องถ่ายรูปสร้างฟิล์มขึ้นมาก็โดยยึดถือหลักว่า จะถ่ายสิ่งเห็นได้ด้วยตาเพราะฉะนั้นภาพที่เราถ่ายได้มานั้นจึงล้วนแต่เป็นภาพที่สามารถเห็นได้ด้วยตาหรือพูดอีกในย่าหนึ่งคือเฉพาะภาพที่มีคลื่นแสงสะท้อนชนิดที่ประสาทตาของคนเราจะรับเอาไว้ได้แต่อย่างไรก็ดีโปรดจาไว้เสมอว่าวัตถุทุกอย่างย่อมมีแสงสะท้อนออกมาจากตัวมันเองทั้งสิน้นถึงแม้พวกอปะปะติกาทั้งหลายก็เหมือนกัน คือมีแสงสะท้อนออกมาเหมือนกันแต่ประสาทตาของมนุษย์โดยทั่วไปไม่สามารถที่จะสัมผัสกับแสงนั้นได้เพราะฉะนั้นจึงมองไม่เห็นข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วว่ารูปร่างของโอปปปาติกะเปลี่ยนแปลงไปตามจิตใจได้ง่ายและเมื่อรูปร่างเปลี่ยนก็หมายถึงช่วงคลื่นของแสงสะท้อนที่ออกจากโอปปาติกะนั้นก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยนี่คือหลักสาคัญที่จะต้องทาความเข้าใจให้แจม่มแจ้ง และอย่าลืมว่าประสาตตาของมนุษย์ก็ดีกล้องและฟิล์มถ่ายรูปที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไปนั้นก็ดีมีประสิทธิภาพจำกัดในอันที่จะรับแสงเพราะฉะนั้นโอปปปาติกาทั้งหลายจึงมองไม่เห็นและถ่ายภาพออกมาไม่ได้แต่สำหรับในกรณีที่ถ่ายออกมาได้โดยบังเอิญ น, นั้นเป็นเพราะโอปปปาติกาบางคนซึ่งทาไปโดยไม่รู้ตัว ในขณะที่เขาต้องการที่จะให้คนในโลกมนุษย์แลายเห็นหรือต้องการจะให้คนในโลกมนุษย์ถ่ายภาพของตัวเองได้นั้นในทันทีที่เกิดความต้องการเช่นนั้นสภาพของร่างกายจะเปลี่ยนไปในรูปที่คล้ายกับร่างกายของมนุษย์ที่ว่าคล้ายนี้แม้ถึงมีความแน่นคล้ายกันซึ่งก่อให้เกิดช่วงคลื่นที่มีลักษณะคล้ายช่วงคลื่นที่ออกจากร่างกายของมนุษย์และในกรณีเช่นนี้เองการถ่ายรูปโอปปาติกะ ซึ่งก็เป็นการถ่ายด้วยกล้องธรรมดาและด้วยฟิล์มธรรมดาอย่างที่ใช้กันทั่วไปนั่นเองแต่แล้วก็สามารถถ่ายออกมาได้การเปลี่ยนสภาพของร่างกายของโอปปปาติกะให้มีช่วงคลื่นที่ออกมาเหมือนกับช่วงคลื่นที่ออกมาจากกายมนุษย์อันนี้เป็นสิ่งที่ยากที่สุดโอปปปาติกะองค์ที่ท่านอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังท่านก็ยังบอกว่าท่านเองก็ทาไม่ได้เพราะสภาพของจิตใจ เป็นสิ่งที่ละเอียดและประณีตอย่างยิ่งขอให้สังเกตว่าการรับคลื่นวิทยุที่มีช่วงคลื่นต่างกันเพียงเล็กน้อยถ้าหากเราหมุนเครื่องรับผิดไปแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่อาจที่จะรับคลื่นอันนั้นได้การหมุนหาคลื่นที่มีความถี่ใกล้กันมากนั้นเราก็ได้เห็นแล้วว่าเป็นเรื่องยุ่งยากเพียงไรเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความปรละณีตละเอียดมากแต่ถึงกระนั้น ก็ยังง่ายกว่าการที่จะปรับร่างกายของโอปปาติกะให้มีช่วงคลื่นเหมือนกับช่วงคลื่นที่ส่งออกมาจากมนุษย์การกระทําที่ว่านี้ย่อมมาถึงการเปลี่ยนสภาวะทางจิตใจซึ่งเป็นสิ่งที่ทําได้ยากอย่างยิ่งเพราะสภาพของจิตใจละเอียดและประณีตยิ่งกว่าคลื่นวิทยุยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดถ้าตั้งจิตหรือวางจิตให้ผิดไปจากลักษณะที่เคยทําได้แม้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นช่วงคลื่นที่ออกมาจากร่างกาย มันก็จะผิดไปจากคลื่นที่ฟิล์มถ่ายรูปจะพึงรับไว้ได้เพราะเหตุที่สภาวะของจิตใจหรือโครงสร้างทางจิตใจซับซ้อนมากเพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากอย่างยิ่งที่จะปรับสภาวะทางจิตใจเพื่อที่จะให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่จะให้มีช่วงคลื่นออกมาเหมือนกับช่วงคลื่นที่ออกมาจากร่างกายของมนุษย์เพราะมันเป็นการยากที่จะอย่างรู้ถึงสภาพของจิตใจได้อย่างละเอียดทีท้วนตามความต้องการ เมื่อไม่ทราบโดยละเอียดก็ไม่อาจจะวางจิตหรือตั้งจิตให้เป็นไปตามความปรารถนาได้ทุกครั้งจงนึกถึงเรื่องการเข้าสมาธิแม้คนที่เคยเข้าได้ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเข้าได้ทุกครั้งเสมอไปนอกจากผู้ที่ชำนาญจริงๆเท่านั้นอันหนึ่งมนุษย์มีวิธีจิตซึ่งมีโอกาสที่จะทดสอบ หรือพิจารณาจิตของตนได้ง่ายแต่พวกโอปปาติกะเป็นพวกที่เหมือนกับคนที่อยู่ในโลกแห่งความฝันการใช้ความนึกคิดของพวกโอปปาติกะจะดำเนินไปคล้ายกับเรื่องในความฝันคือควบคุมอะไรไม่ค่อยได้นอกจากพวกโอปปปาติกะที่มีสมาธิดีซึ่งเคยฝึกมาตั้งแต่สมัยยังเป็นมนุษย์และเป็นคนที่ควบคุมความคิดของตัวเองได้ดีเคยเอาชนะใจตนเองได้มาก และที่สำคัญก็คือเป็นคนที่พยายามดำเนินชีวิตตามเหตุผลเสมอวิบากต่างๆที่สะสมไว้ในสันดานส่วนใหญ่มีแต่วิบากที่ดีสำหรับโอปปปาติกะประเภทนี้ในเวลาใช้ความคิดหรือในขณะที่มีความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นก็จะคล้ายๆกับคนบางคนแม้จะนอนหลับแม้จะฝันแต่ความฝันนั่นเองก็ยังปรากฏว่าเป็นเรื่องที่มีระเบียบมีเหตุผล ควบคุมความนึกคิดในความฝันได้เพราะเหตุที่สภาพของจิตใจของพวกโอปปาติกะทั้งหลายเป็นเหมือนกับคนที่กําลังนอนหลับและฝันดังที่กล่าวมานี้แหละเพราะฉะนั้นในบางครั้งที่พวกโอปปาติกะสามารถแสดงภาพของตัวเองให้คนในโลกมนุษย์เห็นได้หรือให้คนในโลกมนุษย์ถ่ายรูปเอาไว้ได้ทั้งหมดที่ว่านี้จึงมักเป็นเรื่องของการบังเอิญมากกว่า ซึ่งหมายความว่าตนเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมขนาะนั้นจึงเกิดปรากฏร่างให้มนุษย์เห็นได้หรือให้เขาถ่ายภาพเอาไว้ได้รันจะทำอีกซึ่งเป็นการทำด้วยความตั้งใจหลับปรากฏว่าทาไม่ได้อย่าลืมว่าร่างกายของผู้โอปปปาติกะเปลี่ยนแปลงตามจิตใจได้ง่ายที่สุดและเป็นไปอย่างรวดเร็วและอีกอย่างหนึ่งก็คือ เมื่อจิตใจเปลี่ยนร่างกายก็เปลี่ยนในเมื่อร่างกายเปลี่ยนช่วงคลื่นที่ออกมาจากร่างกายก็เปลี่ยนด้วยและคำว่าร่างกายเปลี่ยนในที่นี้ไม่ได้มีความหมายว่าเปลี่ยนรูปร่างหรือเปลี่ยนแปลงร่างจากลักษณะหนึ่งไปเป็นอีกลักษณะหนึ่งคำว่าเปลี่ยนในที่นี้ย่อมหมายถึงความแน่นหรือความหยาบความละเอียดได้เปลี่ยนไปจากเดิมส่วนรูปร่างภายนอกยังคงเหมือนเดิมทุกอย่าง ซึ่งการเปลี่ยนในลักษณะเช่นนี้ในโลกของโอปปาติกะเป็นเรื่องที่มีอยู่เสมอและเป็นเรื่องที่มีอยู่ทั่วไปถ้าหากต่อไปพวกโอปปาติกะได้เรียนรู้ว่าวางใจอย่างไรทำใจอย่างไรหรือตั้งใจอย่างไรร่างกายจึงจะเปลี่ยนให้มีช่วงคลื่นเหมือนกับช่วงคลื่นที่ออกมาจากร่างกายของมนุษย์ถ้าโอปปาติกะคนใดรู้เรื่องนี้จริงๆและมีความชำนาญด้วย มนุษย์ก็จะสามารถถ่ายภาพของโอปะปะติกะผู้นั้นได้เสมอทุกครั้งและอีกในยะหนึ่งถ้าหากมนุษย์สามารถสร้างกล้องถ่ายที่สามารถรับแสงที่ออกมาจากพวกโอปะปะติกะได้ซึ่งคลื่นแสงที่ว่านี้หมายถึงคลื่นแสงที่มีอยู่ตามปกติส่วนคลื่นแสงที่มีลักษณะเหมือนกับคลื่นแสงที่ออกจากกายมนุษย์นั้นเป็นเรื่องพิเศษคือไม่ใช่เป็นเรื่องที่มีบ่อยๆ ท่านนักวิทยาศาสตร์รู้แน่นอนว่าช่วงคลื่นที่ออกมาจากร่างกายโอปปาติกะมีลักษณะอย่างไรแน่แล้วก็พยายามสร้างฟิล์มที่มีความไวพอที่จะรับคลื่นประเภทนี้ได้การถ่ายรูปของพวกโอปปาติกะมนุษย์ก็จะทำได้เสมอตามความต้องการอันหนึ่งในหนังสือของเอสเทโรเบิร์ตนั้นในหน้า48 ซึ่งมีภาพของโบสอิริชมอนในภาพนี้ปรากฏว่ามีลำแสงเป็นรูปห อ, อกติดอยู่ด้วยซึ่งในตอนที่ถ่ายภาพนั้นไม่มีแสงที่ว่านี้เรื่องนี้ข้าพเจ้าก็ได้เรียนถามท่านเหมือนกันแต่ท่านบอกว่าท่านเองก็ไม่รู้ว่าแสงซึ่งปรากฏให้เห็นต่อเมื่อดี่ล้างฟิล์มออกมานั้นเป็นแสงอะไรเกิดจากอะไรอันนี้ท่านไม่กล้าอธิบายเพราะไม่แน่ใจ